วันอาทิตย์ที่สิบหกมกราคมสองห้าสามแปดเป็นการบรรยายพระสูตรในสังกติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t h ทา่สสญญานสาธุชนที่เคารพ <c oughs> พระสูตรในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทที่มีรูปแบบการแสดงเป็นอีกอย่างหนึ่งเราได้พูดพระสูตรเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทมาแล้วสิบสูตร ซึ่งอยู่ในวักเดียวกันที่เรียกว่าพุทธวักจบไปแล้ววันนี้จะขึ้นวักใหม่มีชื่อว่าอาหารวักที่แปลว่าตอนที่เกี่ยวกับอาหารสิบสูตรก็จะมีพระสูตรต่างๆที่ท่านแสดงโดยในยะของอาหารเนี่ยสิบสูตรด้วยกันคําว่าอาหารตามที่ปรากฏในพระสูตรสูตรนี้หรือในวักนี้ เป็นอาหารที่ใช้ในความหมายในทางภาษาพระหรือในทางบาลีตามศัพท์คําว่าอาหารนั้นแปลว่านํามาซึ่งผลโดยความหมายก็คือเป็นไวัยพจน์ของคําว่าเหตุของคําว่าปัจจัยอีกคําหนึ่งอาหารลสูตรจึงแปลตามพยัญชนะว่าเรื่องสิ่งที่นํามาซึ่งผลผลในที่นี้ก็หมายถึงผลของอาหารแต่ละประเภท ซึ่งมีฝี่อย่างอาหารอย่างใดก็นำมาซึ้งผลในขอบเขตของตัวเองอย่างนั้นแต่ว่าในสูตรนี้ไม่ได้แสดงเรื่องอาหารโดดๆเป็นการเอาอาหารมาเป็นบทตั้งแล้วก็กล่าวไปถึงต้นเหตุของอาหารอีกทีหนึ่งต้นเหตุของอาหารนั้นก็เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองถ้าหากว่าเราอ่านสูตรในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่า จะว่าเข้าใจง่ายก็เหมือนเข้าใจง่ายแต่ในความเข้าใจง่ายนั้นก็เหมือนกับว่าไม่น่าจะมีความหมายอะไรหรือมองไม่เห็นความหมายพิเศษอะไรที่จะทำให้เกิดความอัศาจรรย์ในธรรมะหรือในพระสูตรอย่างนี้เลยสูตรนี้ได้เริ่มต้นว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณระเชตวันอารามของทานอนาถบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถี พระผู้มีพระาพาตได้ตรัสว่าดูก่อนวิสูทั้งหลายอาหารสี่เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดบรงอยู่ของหมูสัตว์ที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่เป็นไฉไหนคือหนึ่งกะวะรีการอาหารอาหารคือคำข้าวหยาบหรือละเอียดสองผัดส า, าอาหารอาหาร คือผัดซับสี่มโนสัญญะเจตนาอาหารอาหารคือเจตนาสี่วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเราอ่านแค่เทียงเท่านี้ก่อนอันในสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอาหารแต่มิได้ทรงขยายความอาหารสี่อย่างนั้นโดยละเอียดเหมือนอย่างในสูตรอื่นอื่นอีกเป็นจานวนมากทางนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ในบางที่นั้นก็ไม่จำเป็นต้องขยายความเพียงแต่เอ่ยถึงเพื่อแสดงเรื่องอื่นหรือจุดอื่นของธรรมะที่ควรจะรู้ในกาลนั้นๆหรือในกลุ่มบุคคลนั้นๆสืบต่อไปเท่านั้นให้สังให้ดูคำว่ามูสัตว์ที่เกิดมาแล้วอันนี้นะเขาแปลมาจากคำบาลีว่าพูด คือถ้าไม่แปลเลยก็บอกว่าเพื่อความลำลงอยู่ของพูดเพื่ออนุเคราะห์สัมภอเวสีข้อความที่บอกว่าพูดแสวงหาที่เกิดเนี่ยแปลมาจากคำว่าสัมภอเวสีสัพเสสพเวสีเราเคยได้ยินกันจนติดหูแล้วก็มีความเข้าใจกันไปอย่างหนึ่งไม่ตรงกับความหมายในทางพระพุทธศาสนาจริงๆ ก็จะอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจเีในทีน่นี้ก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าอาหารสี่เหล่านี้นี่เป็นการแสดงถึงความสําคัญของอาหารสีว่ามีความสําคัญคือเพื่อความดํารงอยู่ของพูดและเพื่ออนุเคราะห์สามภเวสีอคําว่าเพื่อความดำรงอยู่เพื่ออนุเคราะห์เนี่ยท่านบอกเป็นไวยพจน์เท่านั้นแหละเป็นไวัยพจนธ มีความหมายเหมือนกันเพราะนั้นอาหารสี่มีความสำคัญต่อความดำรงอยู่ของสัตว์ในที่นี้หมายความอย่างนั้นแต่มีความหมายอะไรบางอย่างที่จะต้องพูดกันเยอะหน่อยละตรงนี้เรามาพูดถึงคำว่าพูดกสัมภเวสีซะก่อนว่าพูดนั้นคืออะไรสัมภเวสีคืออะไรโดยในยะที่หนึ่ง โดยในยะที่หนึ่งมีอยู่สองในในที่หนึ่งที่เรียกว่าสัมภเวสีคือเวลาเรียงลำดับเนี่ยพูดมาก่อนสัมภเวสีมาที่หลังแต่ในความหมายของความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยสัมภเวสีมาก่อนพูดมาที่หลังแล้วก็สัมภเวสีก็พูดนะมันก็เป็นบุคคลคนเดียวกันแหละครับเป็นแต่เพียงมาอยู่ในระยะของชีวิตเมื่อไรผม บอกให้เป็นการเบื้องต้นว่าที่ท่านแบ่งระยะของชีวิตโดยในยะที่หนึ่งเนี่ยแบ่งตอนเกิดระยะชีวิตตอนเกิดกับหลังเกิดมีสองระยะนี้ระยะตอนเกิดเนี่ยระยะเกิดสำหรับสัตว์ที่เกิดจากคันเกิดในคันเกิดจากคันที่เรียกว่าครับภะษัยากะผู้อาศัยคันเกิด มีอยู่สองพวกพวกอันทชะเกิดจากไข่คือออกจากคันมาเป็นไข่แล้วก็ออกจากไข่ไม่ทีหนึ่งเป็นทวิชาติอีกพวกหนึ่งเกิดจากมดลูกเกิดจากคันแล้วก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนเลย นี่เขาเรียกว่าพวกคับภเติยกระอีกสองพวกคือสังเสธชะเกิดจากเท่าใครคำว่าเท่าใครตรงเนี้ยขอได้โปรดเข้าใจว่าไม่ใช่พวกลูกน้องลูกน้ำอะไรอย่างนี้นะแต่ความหมายเนี่ยท่านหมายถึงพวกที่อาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเชือ้อแล้วก็สำเร็จเป็นอัตภาพขึ้นมาแม้พวกเทวดาจานวนมากก็เกิดอย่างนี้ มนุษย์บางคนในสมัยพุทธกาลซึ่งนานๆมีทีก็เกิดอย่างนี้เช่นเกิดในดอกบัวนี่นะก็เป็นพวกสังเสริะกรกรมไปผันแปร ى, ่รากไม้บ้างเปลือกไม้บางชนิดบางดอกไม้บ้างเป็นอัตภาพของสัตว์เป็นสังเสริฐะนีกในพวกสังเสริฐะจักเคือพมอมเกิดแล้วก็อัตภาพเต็มที่เลยอีกพวกหนึ่งโอปปตริก เกิดผุดขึ้นทันทีเราเข้าใจตรงกับความหมายที่ได้พูดไว้แต่ดังเดิมการเกิดสี่อย่างนี้แต่ว่าแบ่งเป็นสองพวกสําหรับการอธิบายความเป็นสัมภเวสีท่านอธิบายพวกคับเสยอากะโดยความเป็นสัมภเวสีและพูดว่าเมื่อสัตว์นั้นปฏิสนธิแล้ว ยังอยู่ในคันไม่คลอดออกมาตราบใดหรื อ, อยังอยู่ในไข่ไม่เจาะกระปาะไข่ออกมาภายนอกตราบใดเรียกว่าสัมพระเวสีแปลว่าพูดสแสวงหาการเกิดคำว่ า, าสแสวงหาการเกิดในหมายถึงการเกิดครั้งที่สองนั่นเองนะไม่ไม่ได้หมายถึงปฏิสนธิ การเกิดออกมาลืมตาดูโลกพูดอย่างคำนวณไทยคือลืมตาดูโลกอยู่ในกัรยังไม่ได้ลืมตาดูโลกอยู่ในไข่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกถ้ายังไม่ได้ลืมตาดูโลกเรียกว่าสัมพเพวสีสแสวงหาการเกิดใช่มฮะไม่งั้นไข่มันคงไม่เจาะ ก, กระป๋อออกมาข้างนอกที่มันเจาะก็เพราะว่ามันอยากจะออกอยากจะเกิด อยากจะลืมตาดูโลกแต่ว่าทาลกในคันต้องคลอดเนี่ยจะพูดนี้ได้ปเปล่าไม่รู้นะแต่โดยเจตนาเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนั้นได้ถึงแม้ว่าอยู่ในคันนั่นจะอบอูนปลอดภัยดีแต่ก็ต้องออกต้องออกโดยถึงเด็กจะไม่ได้คิดว่าอย่างไรแต่โดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติ ก็คืออยากจะออกกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยอยากจะเกิดเหมือนกับเราพูดว่าทุกคนได้อยากเกิดถึงแม้จะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่โดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติโดยสามัญสำนึกโดยอนุัยแล้วย่อมมีความอยากซ่อนเร้นอยู่ไอ้ตรงนี้ท่านอธิบายตามเนื้อของความรู้สึกไม่ได้อธิบายตามความคิดเห็นของของคนที่พูดจากันอย่างงุ้นอย่างนี้รู้สึก ถาดแท้อย่างหนึ่งแต่อาจจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างหนึ่งที่มันขัดกันเนื้อแท้ข้างในของตัวก็ได้อรร ม, มะเราไม่พูดอย่างนั้นเราพูดตามเนื้อแท้อ่ะทีนี้ถ้าเป็นสังเสทชากับโอปปาติกะเมื่อใดเป็นสัมภเวสีเมื่อใดเป็นพูดอธิบายว่าจิตดวงแรก กับอิริยาบทแรกอันนี้ท่านเกิดพูดด้วยเป็นสองขยักว่าพวกโอปปปติกาพวกสังเสริฐยา่าที่เกิดขึ้นมาและเต็มตัวเลยเนี่ยนะสมมุติว่าเกิดขึ้นมาปุ๊บจิต ด, ดวงแรกที่เกิดนั้นถือเป็นสัมภเวสีถือเป็นสัมภเว ส, เป ส, เวสีปฏิสนธิดวงแรกคือปฏิสนธิแล้วก็อิริยาบทแรกแรกในหมายถึงอิริยาบทเกิด เพราพวกโอปปะิกาเนี่ยบางพวกก็ผุดขึ้นมาในอิริยาบถนั่งบางพวกก็ผุดขึ้นมาในยาบดนอนบางพวกก็ผุดขึ้นมาในอิริยาบถยืนแต่เดินไม่มีเดินไม่ได้นะครับคือหมายถึงกําลังเดินนั้นไม่มีเพราะาจิตที่จะสั่งให้เดินต้องไม่ใช่ปฏิสนธิจิตแล้วก็อาจจะนอนจะนั่งในอิริยาบถ ในลักษณะต่างๆกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อตอนจะตายหรือความรู้สึกที่ตั้งไว้เมื่อจะตายอย่างมุตว่าเกิดเราเนี่ยรู้ว่าอย่างเราเนี่ยตายแล้วน่าจะไปเกิดไหนด้วยญาณวิเศษที่เราอบรมทางจิตมาก็จะต้องไปเกิดคือบางคนเนี่ยรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็รู้รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนก็รู้ก็ เตรียมแต่งอียาบทเสียทั้งแต่ตอนก่อนตายไม่ให้กรรมมันซัดไปในลักษณะเช่นว่าสมมติว่าตายเป็นพระตายไปแล้วก็เกิดไปไปเกิดในอิยาบทบางอิยาบทอาจจะดูไม่สมสารูปนี่นะหรือเราเกิดไปเกิดแล้วกเกิดไปนอนเหยียดยาวกลางวิมานท่ามกลางบริสัทบริบรวารก็ดูไม่สวยงามนี้แล้วก็แต่งได้คือพวกที่พวกได้ฌานพวก โดยเฉพาะพวกใดชานก็แต่งได้เลยว่าเขาจะไปเกิดในยาบทไหนเพราะพวกนี้เขารู้แล้วก็จะไปเกิดท่ามกลางใครคนมีบุญมากๆทีก็รู้ว่ามีใครแต่ใค ร, ใครเขารออยู่เขาเชื่อเชิญเขาอยากจะให้ไปเกิดตัวก็ต้องเตรียมเตรียมแต่งยาบทจ่มาเหมือนเรากำลังจะไปสู่ที่ประชุมเราก็ต้องต้องแต่งเนื้อแต่งตัวหรือวางตัวพอสมควรนะฮะไอวางตัวนี่วางด้วยกีเล็กก็ไดไ้วางด้วยอาจาระก็ได้ ถ้าเป็นในแง่ธรรมะก็วางด้วยอาจาระไม่ใช่วางด้วยกิเลสเหมือนสารูปของปลาเนี่ยโดยกุศลละจิตวางแบบเตะๆก็โดยกิเลส น, นะ่าก็ไปเกิดในยาบทนั้นนี่พอสัตว์เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเกิดปุ๊บแล้วทีแรกนี่ยังไม่มีความรู้สึกตัว พอรู้สึกตัวขึ้นมาจิตขึ้นวิถีเนี่ยถ้าเป็นพวกโอปปิกะเนี่ยเขาขยับียาบทได้เลยเพราะยาบทเครบก็ขยับตัวการขยับตัวเนี่ถือว่าเกิดแล้วคล้ายๆว่าเกิดแล้วลอดตายแล้วเหมือนคนมีบุตรถ้ายังไม่ออกมาจากคันตาบใดเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้ว่าเขาจะเป็นพูด เขายังเป็นสัมภเวสีอยู่ใช่ไหมยังว่าไม่เป็นเป็นผู้ถ้าออกมาแล้วก็เรียกว่าเราแน่ใจได้ว่าเออไม่ตายแล้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกแหถ้าเป็นโอเบปดิกาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่ียะไม่ได้ไม่ได้ขยับขยื่นอนียาบทเนี่ยก็ไม่รัวเราเนี่ยเกิดมาแล้วจะเป็นง่อยหรือจะ คือปฏิสนธิอั๊บอุปคาตะกรรมก็ตัดรอนให้ตายไปอีกอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ยังไว้ใจไม่ได้ถ้าขยับริยาบหได้แปลว่าเออเราได้ชีวิตใหม่แล้วใช่ไหมเหมือนเราไปเข้าฝฟือกเนี่ยไปเข้าเฟือกมาพอแก่เฟือกแล้วก็ลองขยับเราก็รือเออเราแขนเรายังอยู่หรือได้แขนใหม่ที่ไม่ใช่แขนป่วยแล้ว อย่างนั้นเรียกว่าพูดเรียกว่าพูดโดยกำเนิดอย่างนี้ก็ผมนะ่าคิดว่าในสองอย่างเนี้ยที่บอกว่านับว่าจิตดวงแรกค่อนข้างจะละเอียดไปนะน่าจะเป็นเรื่องอียาบทแรกแต่ว่าถ้าเป็นจิตดวงแรกเนี่ยก็ควรจะใช้ได้แน่ๆกับพวกบางเหล่า ที่เขาไม่มีอิริยาบถรู้ไม่ใครที่ไม่มีอิริยาบถแล้วใช้จิตดวงแรกนะอารู ป, ป, ป, ป, ป, ป์ปรหลงพวกนี้ไม่มีอิริยาบถอิริยาบถหายไปไหนก็แขนขาไม่มีเนื้อตัวไม่มีอิริยาบถก็ไม่มีก็ถือเอาตามจิตดวงแรกว่าจิตดวงแรกของพวกไม่มีอิริยาบถ เป็นสัมเวสีจิตดวงถัดมาถือว่าเป็นการรอดตายแล้วหรือปลอดภัยแล้วเกิดเนี่ยได้ที่อบอุ่นแล้วไม่ตายแล้วก็เป็นพูดพูดจึงแปลว่าผู้ที่เกิดมาหรือผู้เป็นแล้วพเพวสีในนี้จึงไม่ได้เกี่ยวกับพูดผีปีศาจอีกในหนึ่ง นี่เป็นในแรกนะฮะพูดไปแล้วต่อไปอีกในหนึ่งเป็นในที่เกิดความหมายในชั้นหลังพระพุทธเจ้าให้ความหมายในชั้นหลังหลังเนี่ยหมายความว่าหรือจะพูดอีกทีในแรกนะเป็นเรื่องของวัด ในในแห่งวัตรตสงสารการมีชีวิตในของการเกิดของสปปรรพสัตว์ทั่วไปอีกในหนึ่งเป็นวิวัตตะในในของการถอนตนไปจากสังสารวัฏอธิบายว่านี่ท่านในที่สองนะพวกที่เรียกว่าสัมภเวสี คือปุถุชนกับพระเสฆาบุคคลพระเสฆาบุคคลก็ได้แก่โสดาสกต า, าคาอนนาคาเรียกว่าเป็นพวกสัมภเวสีนั้นอยัางเราเนี่ยเป็นสัมภเวสีทำไมล่ะจึงเรียกว่าเป็นสัมเพาะเรายังสแสวงหาการเกิดรู้ได้ไงว่าสแสวงหา ถึงจะบอกว่าไม่อยากเกิดแล้วอะไรแล้วถึงบางคนจะฆ่าตัวตายก็แสวงหาการเกิดท่านเอาอะไรมาเป็นตัวกํำหนดบอกว่าเราเป็นผู้แสวงหาการเกิดเอาตัณหาความอยากและตัณหาที่เป็นความอยากเนี่ยทั้งโดยตรงโดยอ้อมโดยตรงก็คืออยากไปเกิดเป็นที่นั่นที่นี่นี่คือโดยตรงโดยปริยาย ก็คือความที่เราอยากดูรูปสวยๆอยากมีตาอยากฟังเสียงอยากมีหูนี่แหละครับที่เรารักใครใ่ใยดีในชีวิตของเรานี่แหละทำอะไรๆเพื่อเป็นประโยชน์แก่ความรักใครใ่ใยดีในวิถงเรานี่แหละเป็นตัณหาคือความอยากเกิดเราชอบความเกิดในปัจจุบันฉันใดก็แปลว่าเราอยากจะได้ชีวิตที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกต่อไป พระเสขาบุคคลก็ยังมีตันหาอยู่ส่วนของความเป็นตัณภพเวสีก็ยังมีอยู่สำหรับพูดคือใครเราคงเดาได้เอาปูุ้ชนออกเอาพระเสขาบุคคลสามออกเหลือใครครับพระอรหันต์พระอรหรันต์นั่นเรียกว่าพูด แปลว่าผู้เป็นแล้วแต่เป็นของท่านไม่ได้เป็นในสังสารวัตเป็นในวิวัตตเป็นในนิพพานเรียกว่าเป็นความเป็นชนิดหนึ่งอย่างของเราในประเภทผู้ยังต้องตายนะยังต้องแสวงหากันไม่รู้จักอิ่ม เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หนุม่มเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเราก็ต้องหาไปเรื่อยว่าระยะชีวิตของเราขนาดนี้มันมีปัญหาอะไรที่เราไม่ต้องการเราก็อยากจะแก้อยากจะพน้นแสวงหาไม่รู้จักจักหยุดจักหย่อนถมไม่เต็มเพราะชีวิตเราเนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อย เมื่อสมัยที่เรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องอะไรอะไรของอะไรอะไรสิ่งอะไรอะไรที่คนอยู่ในวัยชราต้องการจำเป็นให้ความสาคัญเราไม่สนใจเลยใช่ไหมล่ะพอเราแก่เท่านั้นแหละเราถึงรู้สึกหรือไปประสบเหตุการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในภาวะเหมือนคนแก่ เราถึงรู้สึกเช่นไปหกล้มขาหักเนี่ยเราก็เห็นคุณค่านึกถึงไม่เท้าใช่ไหมฮะควันโยกฟันหกักวันผูกก็นึกถึงฟันปลอมที่เป็นของที่น่าจะต้องเอาไปใช้กันในตอนแก่ชราตอนนี้นะเราอาจจะคิดว่าจะไปเกิดอยากจะไปเกิดชาตินู้นชาตินี้น้อย แต่พอลองหมอหรือมีพระที่ท่านมีอภิญญาบอกว่าเราเนี่ยใกล้จะตายเลยอีกเจ็ดวันเราก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมไปเจอหนังสือหรือบทเทศว่าพบหน้าชาติหน้าคติใหม่ของผู้ตายไปแล้วเราก็คงจะต้องสนใจอ่ะแล้วก็สนใจที่จะทาบุญทําทานคนเชื่อไม่เชื่อไงก็ต้องเกิดความสนใจ หรือไม่เชื่อหัวแข็งหน่อยก็พอจะหวานล้อมได้ง่ายกว่าปกติเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าโดยทรงประกาศในที่นี้ว่าอาหารสี่มีความสำคัญกับคนทุกคนแล้วก็ทุกระยะของชีวิตไม่ว่าจะเป็นตอนเกิดหรือหลังจากเกิดสมบูรณ์แล้วและแก่คนที่ยังมีกิเลส เต็มบริบูรณ์หรือละกิเลสไปได้บ้างยังเหลือบ้างหรือหมดกิเลสแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วอาหารมีความจําเป็นแก่บุคคลเหล่านั้นเรานึกอย่างเราเราก็พอเห็นแล้วว่าอาหารมีความจําเป็นกับคนทุกคนหมดกิเลสก็ต้องฉันอาหารคนเลวก็ต้องฉันอาหาร อ่าท่านจึงได้แจกประเภทของอาหารเป็นหัวข้อเข้าคร่าวไว้ว่าอาหารสี่อย่างมีกะวะลิงกอาหารแล้วมีบทอธิบายนิดนึงว่าหยาบหรือละเอียดผัสสะเจตนาวิญญาณไม่ได้อธิบายอะไรเติมไปจากบอกชื่อที่ใช้คําว่าหยาบหรือละเอียดเนี่ยหมายถึงอาหารที่เรากินเป็นคำธรรมเนี่ยซึ่งบางทีก็ไม่ได้กินเป็นคําำหรอกแต่เรียกไปตามไอ้ลักษณะ ใหญ่ของอาหารประเภทที่ต้องกลืนกินเข้าไปบางทีก็ไม่ได้กินก็ถือเป็นกะวะลิงเกียงของที่ฉีดเข้าไปทางาเส้นเลือนเป็นกะวะลิงกาอาหารหรือเป็นปัสสาอาหารกระวะลิงกาลอาหารอาหา ร, าหารที่ที่กินโดยด้วยวิธีการต่างๆกินเป็นคําก็ได้ หรือไม่เป็นคําก็ได้ก็เป็นกะวะ่าเลียงหรืออาหารที่กลืนเข้าไปเป็นแคปซูลก็เป็นอาหารไม่ต้องเปิดเป็นคำเพราะฉะนั้นท่านก็เรียกเอาลักษณะใหญ่ว่าธรรมดาส่วนใหญ่ต้องกินเป็นคำํคำๆทีนี้คําว่าหยาบบ้างละเอียดเนี่ยท่านอธิบายนิมพูดถึงอัตถะนะว่าอธิบายว่าอาหารหยาบเนี่ย แบ่งโดยภูมิก็มีหยากมีรละเอียดอาหารมนุษย์กับอาหารเทวดาอาหารเทวดาเป็นอาหารละเอียดอาหารเทวดาแต่ละชั้นต่างชั้นกันละเอียดไม่เท่ากันและท่านก็บอกว่าเหมือนอาหารของมนุษย์แจงไว้ ย, ยืดยาวเลยแตว่าอาหารของมนุษย์พวกไหนพวกไหนละเอียดพวกไหนพวกไหนหยากโดยมากก็ก็แบ่งตาม อาหารนะอย่างอาหารที่ละเอียดก็คืออาหารของอัมมาตของพระราชาของพระเจ้าเจ้กากพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยนะอ้างบอกเป็นอาหารละเอียดแล้วก็อาหารของมนุษย์กับเดเียฉ า, า, น, า, า, า, า น, ในใครละเอียดกว่ากันหรือไม่แน่เอาเดียฉานทั่วไปอาหารพึ่งอาหารคนไม่ใครละเอียดกว่ากันพึ่งนางปยากินอะไรไอพึ่งที่อยู่ในรังนะไม่แน่แต่แล้วนะ มนุษย์ก็เหมือนกันแต่ละพวกแต่ละเรามันก็มีหยาบปีละละเอียดแต่นี่ท่านแบ่งโดยเข้ากล่าวอาหารของเดรัจฉานกับเดรัจฉานก็หยาบละเอียดไม่เท่ากันนี่ฉันแจงมาแต่ตอนเจาะระเข้เรื่อยขึ้นมาเป็นลําดับเป็นลําดับถึงวัวควายถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาหารหยาบละเอียดไม่เท่ากัน นี่คือในความหมายของคำว่าหยาบและละเอียดสำหรับผัสสะผมพูดสนิดหนึ่งว่ากะวะลิงการอาหารเรียกคำข้าวว่าเป็นอาหารเพราะนำมาซึ่งผลคือความเจริญเติบโตและความดำรงอยู่ของสรีละอย่างหนึง่ง ผัสสะนำมาซึ่งเวทนาทำให้เกิดเวทนาแค่นั้นนะไม่ได้เกี่ยวกับความเจริญเติบโตตรงนี้หมายถึงให้ความแย่ผัสสะทำให้เกิดเวทนาคือสิ่งที่เราชอบ <c oughs> แล้วก็มโนสัญญาเจตนาเจตนาทำให้เกิด ผลกรรมเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งวิญญาณทำให้เกิดนามและรูปนามก็หมายถึงเจตสิกและรูปก็หมายถึงร่างกายในที่นี้หมายถึงร่างกายทั้งหมดที่ดารงอยู่ได้ด้วยวิญญาณถ้าจิตดับซะแล้วความรู้สึกคือเจตสิกก็หมดไปและร่างกายก็อยู่ไม่ได้ เราก็ยังอดนึกทั้งที่รู้อยู่ก็ยังนึกแปลกทําไมคิดอย่างธรรมะแล้วก็เห็นแปลกทำํำไมคนตายเนี่ยต้องเนา่านะตายแล้วเหมือนเดิมไม่ได้หรือไม่รู้จะไปขอกับใครตายแล้วเหมือนเดิมไม่ได้หรือเหมือนเดิมหมายความเหมือนกับคนนอนหลับแล้วเราก็ศพไว้กับบ้านจะได้บรรเทาความเสียใจลงไว้ได้บ้างทําไมต้องเนา่า หรือถ้าพอเปลี่ยนบ้างก็ให้เหมือนไอ้ท่อนทรงไม่ได้หรืไม่สักไม่ทูงอะไรน่ะตัดมาจากป่าแล้วเราก็มาปลูกบ้านอยู่ได้เป็นร้อยปีนะถ้าบํารุงดีๆหน่อยก็นานนักหนาเลยเหตุนี้ก็มีน้ำนํำยูน้ํายาบํารุงให้ถาวรตัวเราเป็นอย่างนั้นบ้างไม่ได้เลยไม่ได้ทาไมเป็นไม่ได้เพราะตัวเราสําเร็จจากกรรมมาจรู เป็นหลักเนะืพอสิ้นกรรมเนี่ยกรรมไม่เลี้ยงแล้วอุตุชะลูกเอาไม่อยู่อาหารละชะลูกก็ปรากฏไม่ได้จิตแตชะลูกก็ไม่มีพอวิญญาณดับแล้วเราถึงต้องเน่าแต่ต้นหมากล่างไม้เนี่ยเกิดจากอุตุชะลูกเป็นหลักนั้นถึงจะล้มต้นยังไงก็อุตุก็พอเลี้ยงให้พออยู่ได้นานหน่อยต่อไปท่านตรัสว่า ตัดถึงเหตุของอาหารสีอาหารสีที่พูดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะพูดถึงอะไรบางอย่างถ้าผมบอกแล้วท่านก็จะนึกเห็นความเหมาะสมของกระสุนที่ทรงแสดงอย่างนี้ผมพูดถึงข้อความที่ตัดต่อไปก่อนว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายก็อาหารสีเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็น ที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดพวกเหตุพวกที่ตั้งขึ้นพวกกำเนิดพวกแดนเกิดเป็นไวยพจน์ทั้งนั้นผมไม่ให้ปรารภีนะเป็นไวยพจน์เหมือนกันโดยอัดเป็นการแสดงถึงเหตุของอาหารสีก็ไหนบอกว่าอาหารสีมันเป็นเหตุอยู่แล้วหรือทําไมจะต้องมีเหตุอีกก็เพราะว่า ไอ้กระแสธรรมะเนี่ยความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันเป็นสื่อทอดกันไปไม่รู้จบเหมือนเราถามว่าอะไรอันนี้เพราะอะไรอะไรนั่นเพราะอะไรนะถามกันไปอย่างนี้ตรัสแสดงว่าอาหารสี่เหล่านี้มีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิด แล้วก็แสดงเหตุของตันหาสืบไปตามสายของปฏิจจ์ตรงนี้นะ่ะที่ว่าจะต้องอธิบายก็คือว่าอาหารสีที่ท่านกล่าวถึงนี้อัตกระถาท่านพูดอธิบายเลยว่าเป็นการแสดงอัตภาพปัจจุบันของสัตว์คืออัตภาพของเราเนี่ยพูดในภาษาธรรมะได้หลายโวหารพูดอย่างโลกโวหารก็เรียกว่าอัตภาพ พูดอย่างสัมมวนวิปัสสนาก็เรียกว่านามรูปพูดอย่างสัมมวนอริยศาสตร์ก็เรียกว่าทุกข์ทีนี้เรามาดูว่าอาชญาภาพของเราเนี่ยมันเป็นกวา่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวของมันเองโดยปัจจุบันตัวเราเนี่ยแน่นอนนึกเลยบอกว่ามันเกิดจากกิเลสตัณหาเก่าแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเหตุเป็นผลในในขณะนั้นด้วยหรือไม่มีไม่มี มีมันเป็นผลของสิ่งอื่นมาคือพูดง่ายๆว่าตัณหาเวลาสร้างทุกข์ขึ้นมาเนี่ยในความเป็นทุกข์นั้นมันเป็นผลอย่างเดียวหรือเป็นเหตุด้วยตอบว่าทุกข์เนี่ยเป็นผลของตัณหาทั้งนั้นแต่เมื่อมาเป็นก้อนทุกข์แล้วมันก็มีฐานะเป็นเหตุ และเป็นผลอยู่ในตัวของมันเองและเพื่ออนาคตผลต่อไปข้างหน้าคือเหตุที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาแล้วเนี่ยผลนั้นย่อมมีฐานหน้าของความเป็นเหตุในลหลายๆรูปแบบด้วยแต่ไม่ใช่เป็นเหตุย้อนไปหาเหตุเดิมของตัว ไม่ใช่อย่างนั้นตัณหาเก่าลกรรมเก่าก็ทําแล้วสําเร็จแล้วไม่ต้องให้ผลใหม่มามาย้อนกลับมาอ่าอุดหนุนทําตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาอีกตัวเองเมื่อเป็นผลของตัณหานั่นคือในส่วนผลแล้วก็มีความเป็นเหตุที่จะเป็นเหตุได้อย่างไรในส่วนผลของตัวต่อไปต่อไปหรือในปัจจุบัน ตัวก็เป็นไปเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้านเนี่ยเป็นก้อนเหตุปัใจจัยใช่หรือไม่เป็นก้อนแห่งเหตุผลใช่หรือไม่ใช่ไหมฮะเรามองได้มากแง่เลยทีเดียวเรานะ่ยเกิดมามีชีวิตนี้แล้ว ไม่พูดถึงกรรมเก่าตันหาเก่าที่มันสร้างชีวิตมาเรามีความเป็นผลจากเหตุปัจจุบันก็ด้วยพ่อแม่อาหารการกินดินฟ้าอากาศเอาง่ายๆนี่นะแล้วเราก็มีความเป็นเหตุทำโน่นทำนี่ให้คนอื่นก็ได้พึ่งพาอาศัยมีลูกมีหลานใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่คือก้อนแห่งเหตุผลทุกเนี่ยเป็นก้อนแห่งเหตุผล พูดโดยจํากัดแค่ในชาตินี้ชีวิตเราคือก้อนแห่งเหตุผลในตัวของมันเองยกหนออะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลหนออะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลหายใจเข้าหายใจออกอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลโกรธหน้าแดงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ลงมือฆ่าคน อ, อื่นเข้าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ต, ติดคุกอะไรเป็นเหตุเป็นผลผมถามให้มันยุ่งๆแบบไงให้นึกได้กอไหนก่อนนั่นแหละใช่แล้วละ่ะนั่นแหละคือก้อนเหตุผลอย่างในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นอาหารอาการกล่าวถึงทุกในนี่อัตลักษณท่านบอกเลยว่าการกล่าวถึงอัตภาพเนี่ยพูดได้หลายสัมนวน อาตภาพปัจจุบันเนี่ยนะพูดโดยสำนวนว่าอัตภาพก็ถูกทุกก็ถูกหรืออาหารก็ได้พูดว่าอาหารกัวะลิงกาลาหารในตัวเรามีทุกคนใช่หรือไม่ขนาด น, นี้มีกัวะลิงกาลาหารอาหารที่เรากินเป็นคำข้าวเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ย่อยเอาสารอาหารออกมา แล้วอาหารนั้นที่เราอยู่ในตัวเรามันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆใช่ไหมใช่มันให้ผลมันทําผลอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นอยู่ในตัวเราผัสสะในตัวเราก็มีทําให้เกิดเวทนาอยู่ในตัวเราอิน ญ, ญาณในตัวเราขณะนี้ก็มีก็ทําให้เกิดนามรูปอยู่ในตัวเราทําลงนามรูปของเราไว้ในขณะนี้ มโนสัญญเจตนาอาหารคือกรรมเจตนาความตั้งใจที่เราทำก็อยู่ในตัวเรามีเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวเราในขณะ น, นี้เป็นอันว่าตรงนี้ตัาถาต้องการจะบอกว่าอาหารสีที่พูดถึงกรณีตรงนี้พูดถึงอัตภาพปัจจุบันด้วยการแบ่งออกไปในเชิงอาหาร เพราะชีวิตเรานะ่มันแบ่งได้หลายแงย่หลายจำนวนด้วยโดยอายตนะก็ได้ไอ้นั้นก็อย่างหนึ่งโดยขันก็ได้โดยนามรูปก็ได้โดยสั์จากก็ได้ก็ในที่นี้ท่านจะเรียกโดยอาหารสี่ซึ่งบังเอิญเราเกิดจะไม่คุ้นขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยฟังดูลำบากนิดๆ ห, หน่อยๆฮะไม่มากนักหรอก ก็เป็นอันว่านี่คืออาตภาพปัจจุบันแล้วท่านกำลังจะแสดงว่าอาตภาพปัจจุบันนี้มีอะไรเป็นเหตุแสดงแบบอริยสัจแต่ไม่ได้ไปสุดแค่ปัญหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือเกิดนามรูปหรือเกิดอายตนะนีเท่านั้นเหตุลึก ไปโดยลำดับอีกเข้ารูปของปฏิจจานี่เป็นเรื่องของของความวิจิตในการเทศนานั้นถ้าจะให้พูดอย่างธรรมดาก็คืออัตภาพของเราคือกลุ่มแห่งเหตุผลอยู่ในตัวของมันเองแล้วด้วยนี่แหละมาจากเหตุเก่าที่เป็นเหตุผลิตสร้างกลุ่มแห่งเหตุผลในปัจจุบันเกืออัตภาพนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ท่านจึงแสดงกลับไปหาตันหาและตันหาที่กล่าวถึงเนี่ยท่านบอกว่าหมายเอาตันหาอาดีตเลยอดีตหมายถึงอดีตชาติที่แล้วมาความอยากเก่าๆที่แล้วมาทำให้เกิดชีวิตข้อนี้นะได้เคยพูดมาเป็นระยะ ะ, ยะแต่จะพูดอีกนิดนึง ก็ได้ว่าไอ้ความอยากของเราเนี่ยมันมีพลังอย่างชนิดที่เรามองไม่เห็นเราอยากอยากอยา ก, ยากรูปลดกลิ่นเสียงโพธนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความอยากเหล่านี้มันสะสมไว้แล้วเป็นพลังบันดาลให้เราได้สิ่งเหล่านี้โดยการอุดหนุนของกรรมโดยมีตัณหาเป็นหัวหน้ากรรมอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้แต่ตัณหานั้นมี เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงน้อยอะนะจะว่าไม่ไม่มีขีดขั้นเลยก็ไม่ได้เพราะมันมีกรารมตันหารูปตันหารูปตันหาแต่ถ้าจะพูดโดยเฉพาะในกรารมสัตว์เนี่ยตันหาไม่เคยเปลี่ยนแต่กรรมเปลี่ยนใช่ไม่ใช่คนทํากรรมชั่วก็มีตันหาเหมือนคนทํากรรมดีในกรารมภูมิเืออยากดูรูปฟังเสียงเหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นไอ้ตันหาเนี่ยมันเป็นตัวกาํากับการเกิด สร้างออกแบบรูปพรรณสันฐานเจ็นต้องมีตามีหูเนี่มี อ, อวัยวะสำคัญสำคัญที่สนองความต้องการตัญหาส่วนรายละเอียดอย่างไรกรรมเป็นตัวให้รายละเอียดให้คุณภาพอย่างนั้นอย่างนี้เราเกิดสิบชาติโดยการมมาตัญหา ด้วยความอยากมีตาอยากดูรูปเราก็ประสบความสาเร็จด้วยความว่ามีตาได้เห็นรูปแต่ตาเราไม่เหมือนกันรูปที่เห็นก็แตกต่างกันไปปณิทบางอยากบางสมใจบางไม่สมใจบางตูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอันนั้นก็พลอ ก, กรับเช่นี้ท่านก็ให้รายละเอียด น, นี่พูดถึงในตังคาในสูตรนี่ท่านพูดสําหรับสูตรนี้พูดแล้วไม่อธิบายอแสดงว่า ตัณหาสร้างกัวะลิงกาลาหันอย่างไรตัณหาสร้างปัสสาหานอย่างไรตัณหาสร้างมโนสัญญเจตนาหานอย่างไรตัณหาสร้างวิญญาณาหานอย่างไร <c oughs> <c oughs> คือถ้าหากว่าแจกชีวิตโดยอายตนะหกเนี่ยง่ายเหลืออายตนะสิบสองก็ได้ไงแต่แจกชีวิตโดยอาหารสี่ฟังยาก แล้วไม่ค่อยมีใครจะได้เทศถ้าไม่จําเป็นนะนี่ที่ต้องมาพูดเนี่ยเพราะจาเป็นสูตรบังคับไม่งั้นก็ไม่อยากมาพูดให้มันยากอย่างนี้หรอกแต่พูดปากเปล่าในกรณีอื่นเขาบอกว่าเราอยากมีตาก็ได้ตาใช่ไหมอยากเห็นรูปตาก็ได้เห็นรูปกระทั่งอยากอย่างอื่นทุกกลุมขนในสรีละนี้เราก็ได้หมด ได้อย่างไรนั้นแล้วแต่กรรมทีนี้พอมาแจกในแง่ของอาหารเนี่ยเราเกิดความอยากในกะวะลิงกาลาอาหารจริงหรือไม่จริง อ, อยากในความชอบในรสรสกับอาหารมันของคู่กันแต่ไม่เหมือนกันรสนี่เป็นถ้าถามเป็นภาษาวิถามบอกว่ารสารูปกับ อาหาระละรูปเป็นรูปเดียวกันหรือคนละรูปคนละรูปแต่รถกับอาหารเวลาเรากินอาหารเนี่ยนะะมันจะมาคู่กันแต่ถามว่าเราในชอบรถหรือชอบอาหารเพราะถามอย่างนี้เรานึกถึงสังคมว่ากินเอาอร่อยเข้าไว้อนาไม้ช่างมันคุณค่าอาหารช่าง อย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่จริงๆแล้วถึงจำไม่ได้คิดหรือให้น้ําหนักไปทางไหนมันไม่ได้พ้นไปจากความอยากตัางหากหรอกครับเช่น <S 1> <S 1> ว่าไอ้เรากินอาหารเลือกอาหาร อ, าา ร, อร่อยเนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าไอโอชาเนี่ยมันของแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมความอิ่มมันก็ของแน่ๆอยู่แล้วหรือว่าคุณค่าทางอาหารนี่มันก็ของค่อนข้า ง, งจะแน่ ๆ, ๆอยู่แล้วอาหารที่เรากินโดยทั่วไปนะ เราก็มีความรู้สึกว่าไม่ไม่ไอ้ตัณหามันมาออกทางนี้ไอ้ตัณหาติดรสกับตัณหาติดคุณค่าเนี่ยรู้สึกว่ามันหยาบละเอียดไม่เท่ากันใช่ไหมอันไหนอันไหนละเอียดกว่าตัณหาติดกินเพราะรถกับกินเพราะคุณค่าตัณหาติดรสหยาบกว่าถูกไหมหยาบกว่าขอให้อร่อยก็แล้วกัน บางทีก็ไม่ได้นึกถึงโทษไม่ได้นึกถึงคุณค่าที่ลดลงแต่ไม่มีหรอกครับที่จะไม่มีใครนึกถึงคุณค่าเช่นคนชอบแข็งแรงไหมชอบสุขภาพดีไหมชอบสุขภาพแสดงว่าเราชอบโอชากินเพื่อให้แข็งแรงด้วยอันนี้มันเป็นเป็นปัญหาอันหนึ่งท่านบอกว่านี่คือตัญหาที่เราติดในอาหารกะวะลิงกาลาหาร นี่เรากาลังพูดถึงเข้าไปหาสภาวะแต่ว่าเมื่อพูดออกมาโดยโลกกโวหารหรือโดยชั้นนอกของอาหารก็คือรูปแบบของอาหารชนิดของอาหารต่างๆที่เรายินดีติดใจปอใจเราละถึงเราจะเกิดเป็นคนชาติใดมีอาหารเป็นรูปแบบอย่างไรมันก็คือติดในอาหารเหมือนกัน คนบางคนบางเหล่าอาจจะชอบส้มตำส้มตาก็เป็นอาหารสากลไปแล้วนะในประเทศไทยไปพมา่าก็ยังมีส้มตำานยแต่คนพมา่าไม่ค่อยนิยมกินมีร้านอาหารที่คนพมา่าขายอาหารไทยแล้วก็มีส้มตำเขาเรียกว่าเตงหมอตีตกเตงหมอดีโตเตงเตงหมอตีเนี่ยเป็นชื่อของมะละกอ ตกแปลว่า ย, ยำแต่นี่ก็จะเรียกว่าต่ำเรียกว่ายำเต็งหมอดีตกถ้าใครจะไปประมาณแล้วอดส้มตํามไม่ได้จดไว้นะครับเต็งหมอดีตกเต็งหมอดีตกถ้าไปเรียกว่าถ้าไปสั่งส้มตําเนี่ยเขาไม่รู้มันจะกลายเป็นไอ้ต้มยําต้มยําจะนิดหนึ่งเขาเรียกส้มตําเรียกส้มตําแล้วก็จะเอาต้มยํำมาเลย ผมเคยลองสั่งแล้วอ่ะอเขาบอกร้านอาหารไทยแล้วก็บอกส้ตมตําปรากฏว่ากลายเป็นต้มยำพอไปวันหลังอีกก็บอกก็ส้ตมตําเอาเอาสั่งเลยว่าเอาส้ตามตํำผมไม่เอาแล้วเอาหมอเอต็งหมอตีตกอะเขาบอกอย่างงั้นก็ได้ก็ไปเอาไอ้ส้ตามตำมาให้เพราะฉะนั้นการติดรสอาหารเนี่ยมันก็มันก็ติด ถ้าถ้าใครเคยไปหลายๆประเทศคงจะเข้าใจซากซึ้งเรื่องพวกนี้ดูดีนะแล้วติดจริงๆอย่างเราคนไทยอาหารสะอาดบางพวกก็อาหารไม่สะอาดบางพ ว, พวกนั้นเข้ามากินอาหารของเราแล้วก็อิ่มไม่สนิทเลยครับเขาต้องคงยกตัวอย่างอย่างการณีพระพม่านีา่พระเล่าให้ฟังมาอยู่เมืองไทยอาหารไทยเนี่ยมีสารพัดชนิดสะอาดด้วยนะเขากินไม่ได้ ถ้าฉันไม่ได้ฉันแล้วไม่อิ่มต้องไปให้ไปหายมพามา่าทำอาหารสกรปรกสกรปรกแบบพาม่าให้ฉันผมผมต้องใช้คำนี้นะตุ่ตุแบบพามา่าถึง่ะฉันแล้วหม่อิ่มหนำสำราดมันเป็นความผูกพันอย่างเข้าสายเลือดเหมือนกับเรานะคนไทยหรือคนที่ไหนก็เหมือนกัน เหมือนกันเลยนั่นพระฝลังเวลาไปไปอยู่ในสำนักมหาศีก็จะมีโต๊ะจัดแล้วก็มีขนมปังถ้าเขาให้พระองค์อื่นนะพระองค์อื่นที่ไม่ใช่เป็นพระฝรังนะพระฝรังฉันส่วนของตัวหมดแล้วยังไปยังไปขอขอขององค์อื่นที่เหลือนะมาฉัน ชั้นขนมปังจึงจะรู้สึกอิ่มมันเป็นมันเป็นความผูกใจที่ฝังใจมาตั้งแต่เด็กเป็นอย่างนี้แต่ที่มันเหมือนกันก็คืออาหารความเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆแต่มันก็เปลีป่ยนได้แต่ที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือเนื้อหาสาระของอาหารนำมาใหมันเป็นความยินดีติดใจอันหนึ่ง เรามามีชีวิตเลยถึงมีชีวิตที่ดที่ต้องกินอาหารนี่ถือเป็นต้องโทษเรานะครับที่เราบอกแม้ไม่กินก็ดีก็ก็อยากกินนะทำไงได้เราเคยบ่นไหมเคยบน่นเคยพูดจะเอาเอาพูดทีเล่นหรือจะเอาจริงๆก็ไม่รู้นะไม่กินก็ดีแต่จริงๆถ้าเกิดมีใครมาถามให้เราไม่กินเอาแค่อย่างเงี้ยบอกกินเหมือนกันแต่ไม่ต้องเคี้ยวเอา แคปซูลอาหารไม่เราไม่ละเราก็ไม่เราอยากจะกินคนที่มีความไม่ต้องการจะกินจริงๆเนี่ยพอมีถึงแม้จะไม่เป็นสมุทเฉดคือพวกที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นอาหารเป็นภาระเหมือนอย่างพวกลมเนี่ยเขาไม่ต้องการกินอาหารไม่ต้องการอร่อยอร่อยก็ไม่อร่อยไม่ต้องการอร่อยแล้วก็ไม่ต้องการจะกิน ก็เลยไปได้อาตภาพที่ไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องพึ่งพาอาหารถ้าเป็นนรูปประพรมก็กว่าลิยการอาหารไม่มีเลยถ้าเป็นรูปประพรมก็ยังมีอาหารเจนิดที่ไม่ต้องกินผัดสะเราก็ติดคือความจริงสภาวะแต่ละอย่างแต่ตัวเราติดหมดแต่เวลาจะแสดงออกมาเป็นข้อธรรม เพื่อเหมาะแก่คนฟังเนี่ยท่านเลือกแสดงไม่อาจที่จะไปเอาเจตสิกห้าสิบสองตัวมาพูดทุกที่กับทุกคนก็ติดไปหมดทุกตัวท่านก็จะเลือกแสดงว่าจะเอาเลือกปัจจัยเป็นอาหารติดกันสัมผัสถูกต้องทางตาหูจมูกเล้นกายเราไปเห็นอะไรกันแล้วเนี่ยผมเห็น แม้แต่เข้ามาแสดงรูปภาพมาดูนะยังต้องเขียนป้ายติดว่าห้ามแตะห้ามเอามือแตะเขาคงตัวตกบางกลัวมือเราเนี่ยจะไปเป็นคราบไอ้ที่กระจกกันจากอะไรเขานะห้ามแตะเนี่ยมีห้างเสิร์ฟสิงกาที่หนึ่งนะกำลังแสดงภาพถ่ายชีวิตแล้วทุกแข่งต้องเขียนป้ายติดหมดว่าห้ามเอามือแตะสัมผัสทางเดียวไม่เต็มที่ อยากจะสัมผัสด้วยมือด้วยเพราะว่าสัมผัสทางไหนก็ทำให้เกิดเวทนาเมื่อเรารักจะถูกต้องเวทนาก็เกิดตามมาแล้วเราก็รักเวทนาอีกล่ะแต่ในที่นี้ท่านต้องการจะยกส่วนที่เป็นเหตุขึ้นมากราวมาโนสัญญ ะ, ะเจตนาคือความจงใจหรือความตั้งใจที่จะกระทำ อ่าตรงนี้นะ่ะถ้าไม่อธิบายแจกแจงเราคุณนึกว่าเอ้ไอเจตนานี่มันน่าติดใจตรงไหนนี่ไม่ใช่เจตนาคนอื่น่เจตนาของเราเจตนาคนอื่นก็น่าติดใจเราเห็นชัดเจนอยู่หน่อยนะเจตนาคนอื่นเนี่ยน่าติดใจอย่างเช่นเขาบอกว่าของนี้อ่เจอคุณโดยบังเอิญเลยให้คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้อะ ไม่มีเจตนาจะให้หรือก็ลังเมามาไงเจอหน้าก็ยื่นให้ไม่มีเจตนาให้ไม่รู้ว่าใครด้วยซ้ำมันก็ก็อาจจะไม่มีคุณค่าในทางความรู้สึกทําบุญโดยไม่มีเจตนาจะทําก็ได้บุญน้อยอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นเรื่องเจตนาของคนอื่นเขาไม่เหยียบเท้าเราโดยเจตนาเราก็ตอบรับมากกว่าไม่มีเจตนา นี้ถ้าเป็นตัวเราล่ะเจตนาของเราที่เกิดขึ้นความตั้งใจความจงใจของเราเนี่ยคิดว่าเรายินดีติดใจมันหรือไม่ความตั้งใจสมมติว่าเราเกิดจะเป็นคนที่ไม่มีเจตนาอะไรเลยอยู่ๆก็ลุกโดยไม่มีเจตนาอยู่ๆก็ลงบันไดไปโดยไม่มีเจต ทำอะไรทุกอย่างโดยไม่มีเจตนาไม่มีเป้าหมายอะไรเลยพูดง่ายๆไม่มีเป้าหมายอะไรเลยและเราดูให้เห็นชัดเจนหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยชีวิตมันจะไม่ค่อยสนุกไม่มีรสชาติจริงไหมไม่มีเช่่อว่าใครสักคนหนึ่งเกิดว่างไม่รู้จะทำอะไรก็มีเจตนาอยู่บ้างแต่เจตนาไม่แรงไม่เต็มที่ แล้วก็เกิดไปนั่งที่สนามหลวงนั่งถามตัวเองว่ามาทำไมหรือไปเดิน ด, ดูอะไรที่ไหนก็ได้เจบุภาเจตนาก็อ่อนหรือไม่มีมาก่อนบุญจ่าเจตนาก็เล็กน้อยมันน่าเสียดายเวลาอย่างมากแล้วมันไม่สนุกเลยไม่เชื่อลองไปเข้าลงหนังโดยไม่มีบุพาเจตนาดูบ้างสิ อย่าว่าแต่เข้าลงแม้แต่มาที่นี่โดยไม่มีบูพราเจ็บบูพระเจตนาอ่อนห่วงนั่นห่วงนี้มันก็รู้สึกไม่ค่อยจะมีรสชาติเราจึงสนุกกับไอความตั้งใจความจงใจของเราทั้งเลวและทั้งดีทั้งเลวและทั้งดีตั้งใจแรงเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันมีสาระ มันให้ผลทางความน่าพึงใจเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่หรือชาวโลกเจตนานั้นออกไปในทางไม่ดีพูดง่ายว่าสนุกกับการทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีโดยมากจะเป็นอย่างนั้นเจตนานั้นทำให้เกิดเกิดกรรม คือเกิดการกระทำวิญญาณทำให้เกิดนามรูปความรับรู้ก็ตรงนี้ก็จำง่ายๆว่าเรารู้สึกว่าเรารักชีวิตเรารักแก่นของชีวิตก็คือรักจิตรักวิญญาณของเรานั่นเองทั้งหมดนี้เป็นส่วนที่พระเจ้ายกขึ้นเป็นหลักแสดงถึงตัณหาของเราที่มีความผูกพันเยื่อใยกับรูปและนาม ที่เป็นจุดเด่นๆในความเป็นชีวิตของเราที่เราสร้างสมมาแต่อดีตตั้หาแต่อดีตแล้วมันก็ส่งผลมาทําให้เราเนี่ยต้องมาได้อัธภาพที่สําเร็จโดยความเป็นส่วนหลักอย่างนี้เราชอบทั้งในส่วนเหตุคือกะวะลิงกาลาหารแล้วก็ชอบทั้งในส่วนผลคืออาหารที่ ธนูบำรุงร่างกายเราให้แข็งแรงแม้ผัรษะเราก็ชอบเวทนาเราก็ชอบนั่นก็เป็นคู่เหตุผลหนึ่งแม้เจตนาและกรรมเราก็ชอบแม้วิญญาณและนามรูปเราก็ชอบตันหาผูกพันรักใคร่เยื่อใยอย่างนี้ที่สะสมไว้ท่านจึงกล่าวว่าเกิดด้วยอำนาจของตัหาตันหา แล้วก็เหตุเกิดตัณหาคือเวทนานั้นท่านบอกว่าเป็นอดีตหมดเป็นการแสดงผลปัจจุบันผลคืออาหารสีปัจจุบันด้วยเหตุคือปฏิจจาสายอดีตอัตถาพูดอย่างนี้แล้วท่านก็ยังตั้งกระทู้ในทางลึกต่อไปอีกว่าการแสดงอย่างนี้ถือว่าแสดงไม่บริบูรณ์หรือบริบูรณ์ อาจกราถาบอกว่าไอ้คาว่าบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์เนี่ยคือปฏิ จ, จะไม่ทําไมไม่ว่าไปถึงอนาคตแบบสมบูรณ์อย่างที่ควรจะพูดอาจารย์าถาท่านบอกว่าอย่าถือว่าไม่บริบูรณ์การแสดงธรรมเนี่ยมันมีบริบูรณ์สองแบบบริบูรณ์โดยเทศนากับบริบูรณ์โดยในเทศนาเนี่ยหมายถึงทําให้ปรากฏอย่างบริบูรณ์ โดยในบริบูรณ์นั้นหมายถึงในเนี่ยคือส่วนที่พึงอนุมาณถึงได้ไม่บอกแต่ผู้ฟังตั้งโยนิโสก็คิดออกมองเห็นและท่านกับเปรียบเทียบให้ดีว่าเหมือนบุรุษจะข้ามน้ำแล้วไปเห็นเจละเคโผล่หัวเห็นหลังเป็นคลีบโผล่มาหน่อย ขาจระเข้ไม่เห็นท้องจระเข้ไม่เห็นปากจระเข้เขี้ยวจระเข้ไม่เห็นถามว่าบุรหุดนั้นพึงกลัวจระเข้หรือไม่พึงกลัวที่ว่าไม่พึงกลัวเพราะว่าไอ้จระเข้นีพิการมีมีมเต้าหัวต่างๆเพราะงั้นเราลงน้ําข้ามไปได้คิดอย่างนั้นได้ไหม มีจระเข้ที่ไหนบ้างมันก็โดดลอยตัวไม่ดูหางดูแกอย่าลงมานะหรือว่าแกจงลงมาฉันกินดีดีฉันไม่ใช่จระเข้พิการเพราะฉะนั้นบุรุษปกติเมื่อเห็นจระเข้หรือเราเห็นจระเข้เนี่ยเราก็เห็นก็เห็นบางส่วนแล้วเราก็รู้ว่าจะต้องหลีกเวน้นเพราะไอ้ส่วนที่เราไม่เห็นเนี่ยเรามองไปได้โดยไหนรู้ว่าเจอจระเข้นี้เป็นจระเข้มีอวัยวะบริบูรณ โดยไหนชั้นใดก็ชั้นนั้นทำของพระพุทธเจ้าในเวลาแสดงบางทีท่าแสดงเต็มรูปแบบบางแต่ส่วนมากจะแสดงแล้วก็มีบางส่วนเหลือไว้ส่วนเหลือไว้เนี่ยให้ผู้ฟังที่พอโยนิโสได้เข้าใจเอาเองถ้าไม่สามารถเข้าใจเอาเองได้ต้องแสดงให้ปรากฏทั้งหมดก็ต้องไปฟังสู่วนอื่นส่วนอื่นมาประกอบ ให้คือใช้สูตรอื่นมาเป็นเครื่องเสริมเพราะพระพุทธเจ้าไม่อาจจะแสดงสมบูรณ์ได้ไปทุกที่แก่ทุกคนด้วยเหตุผลต่างๆกันที่เราก็จะนึกได้ดังนั้นจากนั้นจึงได้ทรงไล่ไปโดยลำดับสาวไปจนทั้งถึงสังขารแล้วก็ถึงอวิชชาที่เป็นไปตามลำดับของ ปฏิจจสมุปบาทแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทรงสรุปด้วยองค์ปฏิจจสมุปบาทว่ า, เ, าเพราะเอาสายอนุโลมก่อนเนี่ยนะอวิชชาเป็นปจัจจัยจึงมีสังขารไปโดยลาดับจนกระทั่งถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทัมม้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล้วก็กล่าวสายสายดับว่าเพราะเอาวิชา ดับสาลอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับไล่ไปจนถึงกองทุกทั้งมวลย่อมดับโดยประการชนิดก็นก็นนั้นว่าสูตรนี้นะครับเราจบเท่านี้คราวหน้าจะมีสองสูตรเกี่ยวกับปฏิจจารและอาหารควบคู่กันผมขอยุ ด, ดิีเท่านี้สำหรับวันนี้